พุทธบริษัทตั้งหลายตอนเชาน้านี้ที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อแจกบุญ ธ, ธิบัตรแก่นักเรียนได้รับความคำสอนเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อย ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นั้นเรียบร้อยแล้วแต่บางคนไม่มารับพุทธิบัตรไม่มารับรางวันเลยบอกว่าถ้าไม่มาก็ไม่ต้องให้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญควรมาผู้ปกครองก็ควรจะกวดขันลูกของตัวให้มาให้ได้ แล้วผู้ปกครองก็ต้องมาด้วยเพราะถือว่าเป็นวันสำคัญของปีเป็นวันสุดท้ายของการสอนวิชาพุทธศาสนาวนาทิตย์จบกันในรอบปีหนึ่งก็ปิดโรงเรียนต่อไปรับใหม่กระรูดเดือนพฤษภาคมศกหน้าเปิดเทอมใหม่ นักเรียนที่มาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็ได้รับประโยชน์ได้รับของฝันด้วยแจกซองให้คนับซองสำหรับคนเรียนดีเรียนเก่งกางในซองมปเท่าไรไม่ได้ดูแต่ว่าแจกไปเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นการกระทาความดีก้าหนึ่งของห่านในวัดชลประทาน เมื่อวันที่สิบในวันมาคบูชาหลวงพ่อมาได้อยู่ที่วัดเพราะว่าเขาในบนว่าที่วัดที่เกาะมหา ม, าหมงคลจะทำพิธียกยอดเจดีย์ทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดก็ในบนให้หลวงพ่อไปตามแต่วันที่สิบตอนเช้า ไปถึงืางการเขาที่บนไว้ให้ไปเทศกับประชาชนการาชการชาวบ้านตัวตัวไปการรบเรื่องว่าจังหวัดกาญจนบุรีนี่มีอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ชาติไทยหลายอย่างเช่นมีเขื่อนกั้นน้ำตั้งสองเขื่อนเขื่อนกั้นแฟ่น้อยกั้นแฟ่ใหญ่ มีเกื่อนใหญ่เรียกว่าเกื่อนศิรินทร์พชร์เนักคารินและเกื่อนเจ้าเดินเป็นสองเขื่อนสมัยก่อนก่อนสร้างเกื่อนคนก็คัดค้านว่าไปสร้างเมืองการมากมายแผ่นดินไหวเกื่อนจะแตกน้ำจะฟังทลายทวกบ้านทุกเมืองเสียหายพวกนัก ถ้าเดินกับบนันในชอบเดินชอบกัดก้านอาชีพก็อย่างนั้นแต่ว่ากราวนีเกาจะวางท่อแก๊สจากประเทศพมา่าผ่านป่าผ่านภูเขามาลงที่กาญจนบุรีแล้วก็เดินท่อต่อไปจนถึงราชบุรีเพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้า เพราะพลังงานไฟฟ้าเท่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อไปก็จะไม่พอใช้รัฐบาลปตทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นผู้หาพลังงานได้ไปติดต่อกับรัฐบาลพมา่าเพื่อขอเจาะแก๊สในทะเลอัดามันซึ่งเป็นของพอมา่า มีแกะอยู่ใต้ทะเลเยอะประมม่าก็ อ, อนุญาตให้บริษัทวรรังซึ่มาตั้งอยู่ในประเทศไทยไปทาการเจาะแล้วก็ต่อท่อปานภูเขาเึ่องกั้นเขตแดนไทต้ผ่าถ้าไกลไปที่ชายแดนไทยพมา่าก็จะเห็นว่ามีภูเขาเป็นทีวยาวเหยียด ภูเขาที่ตั้งต้นมาจากโน้นจากแม่สายจากแม่สายจากขวางเป็นทิวยาวเหยียบตลอดประเทศไทยข้าวไปในเกตมาลาอยู่เป็นทิวยาวไปการเกศกวางตะวันตกกับกวางตะวันออกทำให้เด่นผ้าอากาศแตกต่างกัน เฉนระดูนี้ฝั่งตะวันออกของแมมหลมละอยู่ของประเทศไทยฝนตกแต่ความต่างฝั่งตะวันตกคือจังหวัดตรังกระบีฟังงาระนองภูเก็ตฝนไม่ตกเพราะภูเขาสูงบันบังไว้เมกไปติดภูเขาก็เลยตกลงมาฝั่งนี้พอถึงระดูฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝน ล, ลมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้พัดมาฝนตกหนักภาคนั้นแต่ภาคตะวันออกไม่ไม่ตกตกเลิดหน่อยหน่ยก็เรียกว่าฝนพัดมาภูเขามันสูงก็ได้เอาท่อแกส๊ส่าทำขึ้นไปบนยอดภูเขาลงมาลำบากทำไม่ได้เช่นเปลืองมาก แล้วแรงดันมันก็จะไม่พอที่จะขึ้นไปสูงตั้งหลายสิบเมตรก็ไม่สามารถเอามาได้ก็ต้องดูร่องช่องภูเขาที่เป็นช่องมีร่องน้ำก็พามาเรื่อยจนถึงอำเภอสายุกเจ้ามีป่าเราเรียกว่าป่าสวนแห่งชาติท่อก็ต้องมาทางนั้น พวกอนุรักษ์นิยมเข า, เขาก็ไปคัดค้านไม่ให้มาทางนั้นและถ้าไม่มาทางนั้นแล้วจะไปทางไหนถ้าไม่ขุดใต้ดินเอาท่อแก๊สแขวนไว้บนอ า, ากาศมันจะแขวนกับอะไรแล้วมันจะมาได้อย่างไรเราก็ขาดพลังงานสำหรับใช้ต้องซื้อน้ำมันจากตะวันออกใได้ ปีหนึ่งเป็นสองสามหมื่นล้านเพื่อเอามาให้คนมีรถยนต์ทีให้ลับไปเที่ยวโดดนเที่ยวนี้แต่ถ้าเรามีแก๊สมาทำพลังงานไฟฟ้าสร้างโรงงานโรงการอะไรขึ้นได้อีกหลายอย่างสะดวกสบายองค์การพอต่อต่อจึงไปติดต่อเซ็นสัญญากับพมา่าแล้วก็เดินท่อ ถ้าหยุดไม่ทำประเทศไทยจะถูกปรับเป็นเงินตั้งหมื่นล้านต้องเสียเงินให้เขาตั้งหมื่นล้านแล้วคนไม่กี่คนที่ไปนอนขวางทางนั้นวันจะเอาเงินที่ไหนไปให้ครับประเทศชาติก็จะขาดทุนเสียหายไม่ค่อยคิดคิดแต่จะค้านท่าเดียว ข้านทานเดียวแล้วก็บอกว่านักศึกษาก็มาร่วมมือไม่กี่คนนักศึกษาไม่กี่คนที่มาส่วนมากเขาก็ไม่มาเขาเสียเวลาการเรียนเขาก็เรียนหนังสือไปได้มาลั่งคัดค้านด้วยพวกตีคัดข้านก็เป็นพวกที่ไม่มีงานทําก็ไปนั่งกันอยู่ที่นั่นหุงข้าวต้งแกงกินกันไปตามเรื่องเป็นอย่างนั้น แต่ชาวเมืองการไม่เล่นด้วยชาวเมืองการทั้งหมดไม่ไม่คัดการเห็นด้วยกับการต่อต่ อ, ตอแก้ป่านมาเพราะได้ประโยชน์พวกสมาคมพ่อค้าสมาคมหลายสมาคมเห็นว่ากวนี่มนท่านปัญญานันทะไปเทศกันหน่อยก็เลยเดมอนไปเทศทำความเข้าใจกับประชาชน ก่อนก็มาฟังกันมากเทศจับเวลาบ่ายสามโมงก็เดินทางต่อไปเกาะมหา ม, ามงคนเกาะหา ม, ามงคนใมันไม่ใช่เกาะหรอกแต่มันแม่น้ำมันกดกฏมายนมายนกหมัตรงนี้เป็นแผ่นดินใหญ่แต่าทีสักสร้อยสักร้ย ก, รยกว่าไรา่ เป็นที่ของหลวงพ่อเอี่ยมอยวัดอรุณวรารามแกก็เห็นว่าแม่องกตเนี่ยออกจากบ้านไปบาเพ็ญศีลภาวนาเที่ยวไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่ไม่เป็นรักแรงแกก็มองว่าลูกชีเอ้ยหลวงพ่อมีที่เด่นมีชโดดอยู่ที่ตรงนั้น แต่เขาชอบแคบไปอยู่นั่นเถอะหลวงพ่อยกค้ายแยกค่าก็ต้องไปถางปา่าต้นไผ่ที่มันตายแล้วเป็นหลายสิบกอถางออกแล้วก็ปลูกต้นไทรให้ร่มรื่นสบายสะอาดมียานาำยาเรียบร้อยลกดนติเล็กๆ มองจากภูเขาเฉนกุติเล็กเป็นหม่ปทั้งบทเก้สบเกหลังจะสร้างไอ้ครบร้อยแปดแต่ว่าหยุดไปเพียงนั้นก่อนแล้วก็มีโรงครัวใหญ่โรงอาหารเลี้ยงคนวันละสี่ร้อยอยางน้อยพวกผู้หญิงไปอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมาก ผู้ญิงที่ไปอยู่นั่นก็มีปัญหาคือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วไม่กินยาตายไม่กระโดดสะพานเพราะเป็นกล้าวตายแต่ไปที่นั่นแม่ชีแกก็ต้อนรับกลับสู้สอนธรรมะให้ปฏิบัติก็มีชีวิตเป็นสุขสดชื่นเลยอยู่ไม่ไปไหน บางคนก็มีการศึกษาได้ปริญญาตรีมีโอกาสที่จะไปเมางนอกแต่พ่อบอกกับลูกว่าลูกจะไปเรียนมางนอกมันหลายปีให้ไปบำเพ็ญภาวนาติ่กอหมามงคนเช่ก่อนสักสองอาทิตย์แล้วจึงไปเรียนต่อแต่เมื่อไปบำเพ็ญภาวนาแล้วเปลี่ยนใจ ไม่อยากจะไปเมืองนอกไม่อยากจะเรียนแล้วอยากจะอยู่ที่นี่เพื่อทําประโยชน์ในต่างภาษาศาสนาก็เลยอยู่ที่นั่นเป็นคนมีอาการแปลกๆบางคนอยู่กับผัวผัวเตะเชา้าเตะเย็นเพราะวันเมาเมาแล้วมันไม่เตะฟุตบอลมันเตะเมียเมียก็ทนไม่ไหว จนขี่ต้า ไ, ไหวๆก็เลยดีไปเลยไปอยู่ที่นั่นไปอยู่สักเดือนแล้วหัวก็ตามไปออนวอนก็ให้กลับบ้านเบียนั่งเฉยจะออดวอรนเท่าใดพูดจาอย่างไรก็นั่งเฉยไม่โต้ตอบ อ, อะไรทั้งนั้นวนที่สุดก็ขี้เกียจตือ้อก็เลยกลับบ้านมาคนเดียวเมียไม่มาด้วย เขาอยู่นั่นก็สบายแ้วไม่มีใครเตะไอ้ผู้ชายจันไรมันก็เหลือเกินพอเมาแล้วก็เตะเมียต่อยเมียสบายคนอยากรี่มันก็แย่ไม่น่าจะอยู่กับมันเลยไปอยู่กันที่นั่นสะดวกสบายมีคนจากหลายๆจังหวัดที่มาอยู่ทั่วประเทศก็ว่าไรแล้วก็ ส า, สาศาลาหลายหลังศาลาบทใจศาลาปัญญาศาลาพระมัจจันแต่ละหลังก็ใหญ่โตเสาต้นตทโถดีไม้สักตางรากได้เอากันมาจากไหนที่นั่นไม่ได้แจกดีกาไม่ได้ทอดป้าป่าไม่ได้ทอดกระถิ่นมันตามวัดทั่วไ ไม่ได้ออกวิทยุไม่ได้ออกโทรทัศน์แต่ว่าคนไปทำบุญเอาข้าวสารเอาผักอะไรไปให้ก็กินผักนี่นไม่กินปลากินเนอ้อกินวัละมืบอเขาก็ช่วยกันทำกับข้าวหน้าที่ควายครัวก็ทำไปยกมาเลี้ยงกันครัวใหญ่ทำอาหารเยอะ แล้วก็ปีก่อนนี้น้ำท่วมใหญ่ท่วมครัวเลยกาว้องเสียหายกนไม่ถันเลยย้ายลบครัวรันย้ายไปอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำน้ำจะได้ไม่ท่วมกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาภูเขาแถวนั้นมันเป็นป่าไผ่ส่วนมาก มีต้นไม้เอื่นอนๆไม้ไม้กระยาเลยบ้างแต่คนลักตัดเกือบหมดแล้วกระดาแม่ชีขึ้นไปอยู่ก็ปลูกไม้เพิ่มปลูกต้นไ้ปลูกต้นไม้ต่างๆแล้วก็ขึ้นไปอยู่กันบนนั้นเดินขึ้นไปเดินลงมา เป็นการประพฤติธรรมแต่การเดินขึ้นภูเขาลงภูเขาบางทีก็ขึ้นกลางคืนจะต้องใช้สติมากหน่อยจะได้ไม่ล้มฝึกคนแล้วก็ไปอยู่กันปักกรดนอนตามซอกก็ไปเตีสีหัวหน้าก็ตีระฆังเรียกประชุมตีลานเป็นลานกว้างแต่มีต้นไม้ ต้นไม้ต้นใหญ่หญมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสงบใหญ่นั่งสงบใจแม่นั่งตัวรแยกกันไปนั่งไกลๆตัดสันดานคนกลัวผีไปนั่งล่งไม่ให้ไม่ให้ได้ยินเสียงคนอื่นนั่งตั้งแต่ตีสี่ครึ่จนสว่างสว่างแล้วก็ออกกําลังกวาดไก่ยาทาความสะอาด แล้วก็ทานอาหารกันทำอย่างนั้นแล้วคิดว่าเราควรจะสร้างเจดีย์ว่าบนยอดภูเขาสักองหนึ่งแบบพุทธคยาประเทศอินเดียเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมขึ้นไปสูงเจ็ดชั้นมียอดแผ่นแตกล พวกนักข่าวนั่งซืบอพิมพมันก็ไปถ่ายภาพแล้วมาลงข่าวว่าสำนักแม่ชีมงกุฎทำลายป่าไปไปสร้างรีสอร์ทบนยอดภูเขามันไม่ว่าเจ ด, ดีมันว่ารีสอร์ทบนยอดภูเขา ต่อไปก็จะได้รับคนมาพักผ่อนเก็บสรังค์ต่อไปวันลงบ่อยๆหลวงพ่อไปที่นั่นแล้วก็บอกพวกคณะว่าอย่าเป็นทุกข์อย่าไปโต้ตอบกับพวกหนังสือพิมพ์ถ้าไปโต้ตอบมันก็สบายใจเือจะได้มีข่าวลงทุกวันทุกวันเราไม่โต้ตอบเฉยๆใจก็ว่าอะไร กน่าก่อหยุดไม่พูดไม่จ่าใครไปถามอะไรก็เฉยเฉยไม่พูดโต้อตอบแต่มันก็ยังลงอยู่ลงกันอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหาคนก็ตกใจกลัวสำนักจะเสียหายมาหาหลวงพว่อบอกว่าไม่ต้องกลัวทองแท้ไม่ต้องกลัว ตองแท้ไม่กลัวไม่กลัวไม่ค้อนทุกตอนใดก็ไม่เป็นไรสู้ท่าใดก็ไม่เป็นไรไว้ใจอดีตสุดนายตำรวจผู้ใหญ่ไปเฮลิคอปเตอร์ไปดูแม่ชีกําลังเดินจงกรมอยู่ในสนามหญ้าใหญ่เฮลิคอปเตอร์บูลงมาแม่ชีทุกใจคลานหนีไปแถว พันปนปนตำรวจพนตำรวจเอกสล่างบนนาไปไปแล้วก็ไปดูศาลาที่กำลังสร้างถามแม่ชีวันนี้ไปลักตัดไม้มาจากป่าไหนาต้นใหญ่ๆญแม่ชีแกก็บอกไม่ได้ลักตัดที่ป่าไหนาแต่ไปซื้อมาจากโรงเลื่อยที่ประตุมธานีแล้วก็ถามโน้นถามานี่เรื่อยไป ผลที่สุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็ไปสอบสวนเอาเรื่องเอาราวเวลานี้เรื่องอยู่ที่กรมอายการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาแนะนำว่าให้พระผู้ใหญ่ที่มีเกียรติมีชื่อเสียงเขียนแสดงความคิดเห็นสภาพที่ทำอยู่ว่าเป็นอย่างไร ลองพ่อก็เขียนให้เรียบร้อยแนละ้วเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดหลายรูปเขียนให้ว่าเป็นสถานที่มีประโยชน์ภูเขามาอยู่เฉยๆมันกะแหวนไม่มีหัวเพชรเอาเจดีย์ประดับไว้เป็นเพชรสวยงามเป็นสมบัติของเมืองการต่อไปเป็นจุดท่องเที่ยวของคนต่อไปข้างหน้า มาเมืองการไม่ได้ดูแต่สุสานทหารในสงครามแต่ได้จะไปดูเจดีย์ใหญ่ด้วยแล้วเจดีย์นี่สร้างอย่างดีนะโยหินที่ปูพื้ น, นเห็นใหญ่เท่าเรืเห็นเห็นยกไม่ใช่เห็นธรรมรเหินยกสั่งมาจากเมืองจีนแผ่นยาวๆยาวขนาดนี้ เอามาตัดเป็นแผนเล็กแล้วก็ไปปูปูใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ยกยอดยอดดีทำด้วยไปทองคำปนกับทองเหลืองยกกว่า น, นั้นม า, มา ไ, ปไปเป็นประธานในการยกเขาก็ยกดีบอกว่าสายนี่มันเล็ก ยกยอดวัไน้มันหล่นลงมาก็ลำบากบอกว่าไม่ไม่เป็นลยเพราะเอาเท่นของยอดไปวางได้แล้วนักกว่านี้ในโ ด, ดว่าเขายกอย่างไรมีสายส ล, ลินยาอแล้วมีสายลอกย้อนลงมาพูกเด้งขึ้นแล้วก็ใช้เครื่องไ้อย้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไ ป, นไปจนถึงนดน ย, ยกวางเรียบร้อย ทำกันเองพวกคนที่เป็นอุบาสุกนกขาวมขาวช่วยกันทำก็ทำได้เรียบร้อยคนที่ไปในวันยุกยอดเจดีเนี่ยเป็นจํานวนหมืน่นลงป้าขาวเต็มไปหมดในบริเวณมากมายไกลไกมาจากหลายจังหวัดมาจากเชียงรายเชียงใหม่ ปากใต้ก็มาจากภูเก็ตจากระนองจากสะกร์สีธรรมราชสุราษมากันมากมายมากันเต็มไปหมดเรียงดูปูเสือกันอย่างเรียบร้อยไม่การแพลน ย, ยอดเยี่ยสหวงพ่อก็เดินทางกลับเวลาขึ้นบนภูเขาก็ เ, เอารถยนต์นั่งขึ้นไปสบายอันี้อวด เขาเรียกว่าปวดศักดาน่อยเวลาจะลงเยบอกว่าหลวงพ่ออยากจะลงตามบันไดเพราะเขาสร้างบันไดเสร็จแล้วยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรก็เรียกว่าลงบันไดมันไม่เหนื่อยแะแต่บันไดนันมันไม่ใช่เล็กๆอ่ะมันตั้งพันขั้นลงมาไต่ลงมาไต่ลงมา กว่าจะถึงเพื่อนลากในแหมตองหยุดพิจารณาลายอนไปมีคนแบกเก้าอี้ตามไปพอเห็นว่าเพลียก็หยุดขามันสัน่นเดินจนขานสัน่นมันไม่ปวดเวลาลงแต่พอกลับมาถึงวัดนอนคืนนั้นปวดหน้าขาปวดใต้นองปวด ปวดก็ยังจุดไม่ได้เพราะต้องไปเพียงป่าเป้าหลก็ขึ้นเรือบินไปติดรถไปรถต้องขึ้นอีกแล้วไปอยู่บนภูเขาแต่ว่าไปรถก็ยังชั่วหน่อยท่านมหาเวันเป็นพระครูไปบูรพัฒน ก, กิจเป็นธรรมทายาตรุ่นหนึ่งที่นี่ไปอยู่เ็าเรียกวัดแม่พระเจดีพีะเจดีเก่า แล้วก็กรมป่าไม้ไปมอบป่าให้ดูแลรักษาสองพันกว่าไร่เลยหลออพระพุทธรูปไปเตี๋ยวว่าว่าในป่าให้ช่วยรักษาป่าหน่อยก่อนมันจะได้เกรงใจไม่ทำลายป่าอนยโยมชายแกเถึงแ ก, รรก่กมก็ได้บนให้ไปเทศแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อจะไปนอนที่เรือนไม้่ายได้ไหมนอนที่ไหนก็ได้มันมีที่นอนก็แล้ว จนขึ้นไปถึงบนภูเขาก็ทำเป็นรูปเรือแล้วก็ไปสร้างกุติไว้ที่หัวเรือไม้ไผ่ไม้ไผ่ไ ม, ไไ ม, ไมาสับสับปูเพิ่อตำฝาโปรง่งดีก็แล้วก็มีห้องน้ำให้ <c oughs> ดีหน่อยห้องน้ำือเป็นโซว่นั่งครอบอสบายนอนลาเกินก็เอาป้าหมบป้าฝวยนะ เอาใบหา้าฝืนนอนแล้วก็คลุมลงไปคลุมลงไปบอโอ้ยเดินไปไหวป้าบัญหาห น, น, นานี่เดินไปไหวนอนหายนอนตัวแข็งเดินไปไหวแต่ว่าก่อนไปนี่ไปเทศศรีราศบอกนาะยพยาบาลว่าหลงพ่อปวดกาปวดกลับเนื้อเอาให้ยาไปหลอดก็ได้ไปทา ก็ยังไม่หายแล้วก็กลับมาเพิ่มมาหายเมื่อวานเนียดีขึ้นเมื่อวานเพราะเมื่อวานตอนบ่ายตลอดเวลาได้นอนนอนพักตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าโงยินพอเตือนขึ้นมาโอ้หายปวดลยอนแล้วขาเนื้อหนังมันยอนก็สบายไปอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ก็ค่อยคล่องหน่อยเ <c oughs> มื่อก่อนเดินมันต้องค่อยกระยับช้าๆปวดขาปวดแข้งเวลาปวดอย่างนี้ทําให้เกิดความรู้สึกตัวว่าเราแก่แล้วเมื่อก่อนยังไปเน็ตว่าแก่ยังเดินคล่องไปไหนมาไหนเดินคล่องแล้วเด็กก็บอกว่าหลวงพ่อเดินไหวไหมโ อ, อ้ยิ่งเดินใหญ่เลยอวดสักดาใหญ่ <c oughs> วดพิเศษใหญ่ เดินก้าว ช, ช, ชับชับับเวลาขึ้นบันไดก็ขึ้นรวดเดียวไม่หยุดเลยไอเห็นว่ายัางไม่แก่แต่ไปลงบันไดภูเขาปันขั้นในไม่ไหวแก่เป็นเป็อย่างนั้อยู่เรื่องี่แต่เห็นเป็นอย่า ง, ร ง, ไ, าางไรไปที่หารตกเรียงป่าเป้านีก่ก็ทําแบบพื้นเมือง ทำเป็นปราศาทแล้วบอกว่าในเวลาเผาเผาอย่างไรเผาหมดเลยบอกโอ้ยขวันเผาก็เทศก่อนคนก็นั่งฟังกันใต้ร่มไม้เทศหนึ่งชั่วโมงกว่า <c oughs> แล้วก็เริ่มสวดมัตติกาเขาก็จัดเอาพวกขอกไม้ไฟพวกพลุเพล่อะไรวาเต็ดตรงนั้นเต็มโยเต็มมากมาก เวลาจุดคอยแล้วมันปุ้งปุ๊ปุ๊งปุ๊บมาดโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเต็มหลวงพ่อเต็มจบแล้วก็ลงมาไม่อยู่ใกล้ตรงนั้นเพราะมันจุดตะดังปุ้บปุ๊ปุ๊บปุ๊บกลัวกัวมันกระเด็นมาถูกเราเข้ามาก็เลยไปนั่งที่กุฏิไม่ไปนั่งดูพอได้เวลาก็เสียงปุ้งปุ๊ปุ้งดังกันใหญ่ทุกเมื่อ ป้องปุ้งปุ้งมันก็จุดพรุอะไรอยู่แล้วกลางคืนก็จุดโคมโคมลอยตามด้กระดาษสาแล้วก็อัดไฟเข้าไปจุดไฟอัดฟันก็ลอยขึ้นไปลอยอยู่ในท้องฟ้าได้กว่าดาวบอะดาวรอกนมว่าเคลื่อนได้ไม่ใช่ โคมรลอยก็จุดที่นี่นะไปลอยลอยไปลอยมาลอยเป็นแถวมันก็ผลร่มลมมันจัดเข่าเอจัดเข่าแถวเข้าแถวเรียบร้อยน่าดูมากไอพวกจุดก็จุดใหญ่แล้วก็จุดไขะเนียงออกมาจุดใกล้กล้ย่างนี้ชี้ก็มามองาะว่าจุดตรงนี้จุดปล่อยเช่นด้วยพวกนี้มันเบามัน พอได้จุดแล้วมันสนุกจุดใหญ่เพื่ออวดด้วยวรว่าของฉันสวยคนจะได้หาหาอีกอทำไปแต่ก็เรียบร้อยดีไม่มีการฆ้าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีการพ น, นันไม่มีการดื่มเหล้าเบามายทำเป็นสกบเรียบร้อยก็เทศได้เขาฟังแล้วก็เดินทางกลับ มาขึ้นเรือบินที่เชียงใหม่ดังทุกมาถึงนี้วันนั้นรถไปรับบัญชาไปแล้วะ แ, แต่ไปจอดไว้กั้นบนกว่าจะเอารถลงมาได้ก็นั่งจอนหมารถ บ, บอกว่าไปแท็กซี่นะครับเขาไม่ได้ก็ามารับแล้วต้องรอเขาก็นั่งรอเรื่อยไปชั่วโมงกว่าังได้รถลงมา นั่งรโยมโยมนิด้าของรถบอกว่าให้หลวงพ่อนั่งรถคันน mm. ี้สักครั้ตามเขาทำไมก็ซื้อใบออกเลยทำอะไรนั่งเจ้าของก็เสียใจไปรับแล้วไม่นั่งนั่งแท็กซี่เรก็ไมได้เราก็เสียตังค์ด้วยเจ้าของก็เสียใจด้วยมันสองเสียเดี๋ยทนไปก่อนก็นั่งรอรอจนมากลับบ้านถึงวัด สามทุกครึ่งปกติเรือเป็นันถึงเวลาสองทุกกลายเป็นสามทุกครึ่งจึงจะได้ขึ้นรถมาวัดมาถึงก็อาบนา้ำทายาแล้วก็นอนหลับสบายตื่นเช้าขึ้นก็ไปทำหน้าที่ต่อไปเ <c oughs> มืมวานไปวัดสวนแก้ว ตอนแก้วก็มีงานปีนี้เดินงานทั้งเดือนไปถึงก็ไอเทศกับเด็กก่อนเสียดายมาได้เอาพระนักเทศสอนเด็กไปด้วยท่านถนอมนก็สอนเด็กดีเลยต้องว่าเองเทศกับเด็ก15นาทีจบแล้วก็เด็กต้อยผู้ใหญ่เข้าเทศกับผู้ใหญ่ต่อไปชั่วโมงกว่า เ้าก็มีคนอื่นมาพูดอีกหลายคนแต่ไปยอมกระทำอยา่างนก็ดีมากกันทำให้คนได้เข้าวัดแต่ว่าดูหน้าดูตาแล้วมันก็พวกเราถึงนะไอ้น <c oughs> ค, คนชุดนี้ไปไปดูก็ชุดนี้คนเคยเห็นกันแล้วไปเทศที่ไหนก็โยมชุดเก่าๆไม่ก็มีชุดใหม่ๆ ได้บอกเขาว่ามีแต่หน้าเก่าไม่มีหน้าใหม่ๆใช่เลยทำอย่างไรให้คนหน้าใหม่ๆมาฟังบ้างอย่าเด็กดมวัยรุน่นได้ฟังบ้างก็จะดีแต่น้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าวาเลนไทยวาเลนไทยเป็นวันแห่งความความรักแต้ความรักแบบฝรั่งไม่ใช่ความรักแบบบัเมตตาประดี แล้วเขาก็สกนะดวกกันแต่งงานกันหลายคู่บ้านคนแก่อายุห้สิบแล้วเพิ่งมาจดทะเบียนบอกว่าเมื่อคราวแต่งมันไม่มีทะเบียนเลยมาแต่งมาถ้จาจดทะเบียนเฉยๆเป็นตัวอย่างบางอำเภอบางรักมากกว่าเพื่อนเพรามันชื่อว่าบางรักให้บางคลัดเนี่ยไม่มีใครมาเพราะมันบางพลัดอยากจะแต่งกันที่บางพลัด แลยก็ ไ, ไม่ค่อยมีคนมาอำอำเภอดุสิ์ก็มาทำริมแม่น้ำําแปลกๆ ล, กลอคนได้มาจตเบียนแต่งงานกันที่วัดนี้ไม่ดีไม่ได้มาแต่งตอมจริงก็มาแต่งกั น, กนบ่อยแต่ไม่ใช่วันอย่างนั้นวันวาเลนไท ย, ยควรจะถือว่าเป็นวันแห่งความเมตตาปราณี ไม่ใช่วันแห่งความรักมีกิเลสแต่ความรักการแต่งงานมาเรื่องกิเลสหาเรื่องให้เป็นทุกข์กต่รอดใจมีผู้ชายคนหนึ่งไปอยู่ที่กอหมามงคลอยู่มาหลายเดือนแล้วแล้วบอกว่าผมจะไปแต่งงานหลวงพ่อว่าหาเรื่องกุณหาเรื่องเขาหาเรื่องก็หาเรื่องให้กขาลาดคอไปเลย ก็มัดมือเพรว่าเบบบทบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอซับโูกบาถาคลอดวไว้ยพัญญาแย่งบองพอเริงรัดมือนา <c oughs> สามบองใครพ้นได้ก็พ้นสงสารอันนี้เราไม่มีบวงสบายแล้วอันี้ไปหาบทมามัดมือผู้ชายก็หาบวงพัญญามามัดเหมือผู้หญิงก็หาบวงสามีมามัดมือ แล้วก็จูงไปดดจูงไปนี่ต้นไม่หลุดตอนวันที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชนี่ยมีมามัไปกราบทูลว่าพระนางพิมพาทอดพระโอรสแล้วท่านก็พูดออกมาว่าราหุโลอุปปันโนราหุโลราหุละเนี่ยแปลว่าบวชอุปปันโนว่าบวชเกิดแล้ว บวงเกิดแล้วพอข่าวแบบว่าบวงสารมมบุตรพันคอพัญญาสามีปลูกเมือซับปลูกเท้าไปไหนไม่ได้เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงข้าวเป็นห่วงของก็เป็นความทุกข์เพราะความยึดถือในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอันนี้คนที่ไปอยู่นั่นก็สบายแล้วไปหาบวงบอกว่า ชอบพ่อกันมานานแล้วอยากจะไปแต่งงานให้หลวงพ่อหาวันให้ว่าจะแต่งวันไหนดี <c oughs> บอกว่าจะเอาเดือนไหนเราเดือนพฤกภาอีกนานก็ไ ป, ไปบอกนานักเธอออ ก, าก่างรีไปแล้วก็ไปลาเจ้าสาวไปด้วยไปบอกว่าจะแต่งงานเอาวันไหนดี วันของหลวงพ่อทนำะดีทุกวันนะยมไม่ไม่ใช่ไม่มีวันเสียถ้าเราทำดีเพราะวันเวลานั้นมันไม่ดีไม่ชัว่วมันกลางกลางเสียตามภาษาสัมสัมมาวาอัปยาคตะอัปยาคตะแปลว่าไม่ดีไม่ชัว่ววันอาทิตย์จันทรลางคารพุทธเปรดสุขเสาไม่ดีไม่ชัว่ว เช้าสายบ่ายเย็นไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้าเราทําดีเวลาไหนเวลาก็ปล่อยดีไปกับเราแต่เราทําชั่วเวลาไหนเวลามันก็ปล่อยชั่วไปกับเราลำพังเวลาแท้ๆไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่าคนโบราณเขาเขาได้บีหลัก แต่การว่าวันนั้นดีวันนี้ไปดีวันนั้นอุบาทวันนั้นกาลกิดีวันนั้นทงชัยอะไรสกต่างขาวหนึ่งไปสร้างโรงเรียนให้เขาแล้วก็กบวันไปให้ก็ว่าให้เปิดวันนั้นก็ไปในงานเปิดไปเรือไปเรือยนต์ไปลอยเต้งเต้งอยู่ในทะเลไม่มีเรือออกมารับ เรือตะกูลก็ไปโบกธงให้เขาเห็นว่ามาแล้วตั้งช่อโบงกว่าเขาจึงมาครับเลยถามว่าทำไมมาช้าบอก็่วันนี้มันเป็นวันดีเขาแต่งงานกันหลายคู่เลยเรือไม่ว่างก็ไปแต่งงานกันหมดหลวงพ่อบอโอ้แมกคราวหลังฉันจะมาวันที่อุบากจันไร วันไหนเขาว่าอุบาทจะมาวันนั้นนะคนมันจะไม่ได้ไม่ยุ่งจะไม่ได้ทําอะไรวันอุบาทคนมันจะได้ว่างเรือก็จะได้ว่างจะได้มาร่วม ง, งานเปิดโรงเรียนกันมากน่อยบอกคอยเนี่ยคนมันทําพร่องแล้วทําพร่อมกันมากมากลำบากยืมของก็ลําบากได้บนพระก็ลําบากแขกจะมาก็ลําบากมันหลายงานรับที่ รับการเชิญหลายวันอ้ยพู้จะไปบ้านไหนดีอ่ามันไม่ไม่ไม่เลยไม่ไปเฉยเฉยเฉยวันดีมาลําบากเราเอาวันที่ไม่ดีนั่นแหละทำคนอื่นเขาไม่ทําเราทํามันก็ไม่เพียนยวันเวลาไม่ดีไม่ชัว่ววันดีชัว่วตรงที่เราทําเจ่นเวลานี่โยมมาวัดนั่งฟังทำดีถ้าเวลานี่โยมไปนั่งเล่นไพ่ หรือไปสนามมา้ารอรอให้ม้าเตะไปนั่งรอให้ม้าเตะไปแทงมา้าแม่ก็เท่าทว่าถูกม้าเตะที่โกรงหักไปตามๆกันวันนั้นมันก็ไม่ดีมันอุบาทมันเจริญยังไม่ควรถือว่าวันนั้นดีวันนี้ดีแล้วไม่ต้องไปถามหมอว่าจะทําวันไหนทําวันที่มันเหมาะแก่เราเวลาไหนก็ได้ เป็เด็กกนหนึ่งชื่อบ้านแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านบอกว่าผมชื่อบ้านแล้วยังไม่ได้เข้าอยู่ทำไมไม่เข้าอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนลักนัดหน้าต่างก็จะรัระเระนเองกโมยมาเยอะไ่มีเจ้าของ ห, หน้าตา่างงัดประตูไปไปถามหมอถามพระครูที่เป็นพระท่านบอกเดนี่ตั้งเรือนาวันเข้าบ้านไม่ได้ ไปถามพระปัญญาอ่อนเข้าให้โอ้ที่ทั้งเดือนหาวันข้าวบ้านไปได้แล้วไม่งูตายแล้วจะเข้าได้เมื่อไรดูเดือนพฤกษาจึงมีวันข้าวบ้านเธอมันไปผิดวัดเสียแล้วทําไมไม่ไปหาหลวงพ่อแต่ไปหาหลวงพ่อจะมีวันเข้าบ้านสบายสบายบอกว่าเอาแต่นั้นก็ถามหลวงพ่อจะเข้าบ้านวันไหนดี ก็อบอกว่าเอาเร็วหรือเอาชา้าเอาเร็วยิ่งนี้เอาเร็วก็วันเสาร์นี่วันเสาร์รถมันไม่ติดกันเท่าไรวันเสาร์แล้วขนขอออกจากบ้านเวลาในนี้ตีสี่ตีสี่มันรถมันไม่วิง่งแปล ว, ว่าขนข้าวขนของใส่รถไว้พร้อมพอสี่นาฬิกาก็ออกเลยออกไปสบายเพราะถนนมันว่าไงไะ เรื่องดีอ่ะกาตาออกสิบแปดโมงแล้วตายรถติดสามโมงก็รถติดห้าโมงยิ่งติดใหญ่ไม่ใช่เรื่องออกสี่โมงดีสี่กลางึ้นแล้วไปถึงบ้านแล้วจะเข้าเวลาไหนอ้าวแล้วแล้วคุญแจอยู่กับใครอยู่กับผมแล้วเธอจะไปยืนเสื้ออยู่หน้าบ้านก็ตามใจถึงบ้านแล้วไม่มีกุญแจแล้วทําไมไม่ไขเข้าไปไขยเข้าไ ป, เ, ไปเลย ก็วันทําตามนั้นเรียบร้อยอยู่เรียบร้อ ย, ย, ย, อยไม่มีอะไรบางบ้านซื่อแล้วไม่ไปอยู่ขโมยนัดหน้าตามพัดประตูลักข่าวลักของเพราะไม่ไปอยู่ไม่ได้ซื่อแล้วต้องไปอยู่ไม่ต้องรู้เวลาข่าไปเน่ยไปได้เสียหายอะไรอันนี้ก็เรียกว่าถือเลือกถื อ, อยาม ไอ้เรื่องเลิกยามในคนสมัยก่อนเขาถือไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเครื่องนัดหมายคนสมัยก่อนมันไม่มีนาฬิกาที่จะนัดหมายกันสมัยนี้ว่าสามโมงเช้าสี่โมงเช้าสยสามโมงนาฬิกามีทุกคนที่เข้ามาสะดวกก่อนมันไม่มีอันนี้ก็ดูอะไรก็วัดเงาเหน็บเอาไม้มาปักเอากลางแจ้งแต่วเบนมีเงา ไปเอาแล้วก็เดินนะวิธีเดินก็ต้องเดินเท้าต่อกเลยจะยกแผลนะเดิเขาบอกว่าก้าวย่างหมายความว่าก้าวชั้นพอถึงเวลาก้าวย่างให้มาพร้อมกันยกบ้านเรื่องดีคนก็รีบมาก่อนเวลาพอมาถึงก็ปักไม้ไว้แล้วไปวัดดูออกก้าวย่างเรียกว่าดีแล้วยกเรือน ยกพร้อมนะทําบ้านก่อนสมัยก่อนนี่ก็ทําทบ้านวันเดียวได้ขึ้นอยู่ช่วยก็ช่วยกันสร้างวันเดียวได้ขึ้นอยู่เลยพระที่วัดหนองบัวอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ที่วัดนั้นสองตำบลมีวัดเดียวศาลาย่อยว่างก็ไปสร้างไว้ วันที่ทำบุญนี่คนต้องไปจองศาลาตั้งแต่เที่ยงคืนเอาเสื่อปูไว้เอาผ้าปูไว้กะระดาษกลปูแล้วก็คนไม่ไม่ไป่ทำอะไป ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ลุกทำอไมต้องไปปูเพราะถัดดังไตรพระพระให้ศีลก็ไม่ได้ยินพระเทศก็ไม่ได้ยินสาลาใหญ่อยเลยก็ไปปูจองที่กันไว้คนบันมากตั้งสองตำบล อำเภอหนองบัวแต่นี้ท่านเจ้าคุณเทพสิทธินายกแกไปคนที่นั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เห็นว่าไม่ไหวพลเมืองเพิ่มมากต้องไปสร้างอีกวัดเนี่ยแต่ก็ไปสร้างวันเดียวยกกฎติสิบหลังละสามห้องสามห้องยกมมหลังคาตีขวาตีพื้นพระอยู่ได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ ทำวันนั้นแต่เตรียมกันหลายหลายวันเตรียมเจาะเสากล่าววาเตรียมเครื่องมือที่จะยกแต่พอยกวันเดียวเลยสิบหลังเลยแล้วช่วยกันทํำฝาตีเพื่อนบงหลังคาติดประตูติดหน้าต่างเสร็จหมดเย็นวันนั้นก็ได้อยู่เลยก็ทำคนมันพร้อมกันแบบไทยโบราณคนไทยเราโบราณทําอะไรก็พร้อมกันทํา สร้างบ้านพร้อมกันสร้างบ้านพร้อมกันขุดเหมืองพร้อมกันทำถนนทำอะไรนายอำเภอชื่อก้อนนั่งอยู่ที่ชุมแสงแกไปมาอยู่ชุมแสงแกก็ทำทำถนนตรงไปตะวันออกสี่ตำบลทาถนนยี่สี่ชั่วโมงทำถนนได้เสร็จ ชั้นแรกมาได้ทำใหญ่ตามถนนสูงพ้นน้ำกว้างหนึ่งเมตรให้รถจักรยานวิ่งหน้าน้ำได้พอถึงหน้าน้ำคนก็ขี่รถจักรยานไปได้มาไหได้สะดวกสบายยาวไปสี่ตำบลพอหน้าแรงแกไปเที่ยวเดินถามเออถนนกว้างหนึ่งเมตรสูงพ้นน้ำดีไหม ดีครับดีครับดีทุกคนเอนาดีแต่เราขยายมันกว้างให้รถยนต์วิ่งได้เก็บไข้ได้ป่วยจะได้บรรทุกรถยนต์ไปมีข้าวบรรทุกรถยนต์ไปตลาดชมแสงสะดวกสบายดีไหมก็ว่าดีทุกคนเพราะว่าดีทุกคนแต่งั้นต้องไปช่วยกันไปกันหมดคนแก่ขนาดคุณโยมนี่ก็ต้องไปขุดถนนด้วย ไปด้วยไปไปเชื่อกันขุดรับเอาคนละนึ่งตารางเมตรขุดดินนึ่งตารางเมตรสองตารางเมตรคนตั้งแต่แต่ในตลาดคนเต็มไปยาวไปทำกันเสร็จเรียบร้อยอาทิตย์พอดีกรมโยธาธิการหลวงปูส่งคนให้ไปดูว่า ไอ้ท่นดนของนายอำเภอชมแสงนี่มันบ้าบอขนาดไหนไทำไมทาวันเดียวเสร็จไปดูดิ <c ười> คนไปดูก็ชมแล้วอกก็ทํ า, าทเรียบร้อยไอ้นี่มันบ้าไปกับนายอำเภออีกแล้วท่นดนอะไรทําวันเดียวเสร็จทําไมจะไม่เสร็จก็คนมันบดนี่กี่ตําบลก็มาทํางแต่หลังไปเป็นเจ้าเมืองพิจิตร แกทำถนนจากพิกจิตไปอำเภอสามอ๊บเจวันถนนเรียบร้อยหลองบูสั่งคนได้ไปดูกลับมาเล่าวอาไม่ทำก็มันยังไง ร, รถวิ่งได้แกทำได้แต่วันก่อนนี้เก็พูดเบาๆแต่คนศรัทธาเรื่องสายเป็นคนทำจริงเอาจริงเอาจับตายไปแล้ว ว่าตายก็มาเฝ้าที่วัดบงกุศหลวงพ่อเข้าไปเทศแล้วบอกว่าถนนสายนี้น่าจะตั้งชื่อของเจ้าเมืองคนนี้ไว้แต่เขาไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งชื่อน่าจะตั้งชื่อเป็นอ น, น, นุสวรรค์ตาได้ดีเรีย <c oughs> บร้อยคือความพรอมเพียงกันแลนะบรรจงมาได้สำเร็จ ถ้าไม่พร้อมกันแล้วก็ไม่สมําเร็จประมาณที่มันมาตีกรุงเสียยุทธยามันก้นดินก้นละก้อนสมคูเข้าไปตีกําแพงได้ไปีนกําแพงเข้าวได้กรุงเสียยุทธยาแตกทหารตายทับสมกําแพงไปกขียตายก็ถมไปเลยตายถมแม่ทับเด็ดขาดสมไปแล้วก็คนตายเยอะแต่ก็ ทำกำแพงก็ไปข้ามคูก็ไปไหนเถึงกำแพงเมืองไปเห็นข้ามไปยิงเปืนใหญ่ยิงก็ไปตรงนั้นจุดนั้นยิงยิงจนกำแพงแตกทด้ทำได้อย่างนั้นก็เพราะมีไ ส, ส้ศึกเชื่อพระยาจั ก, กรีเป็นไส้ศึกไปบอกพ่ ะ, ะว่าว่าตรงนั้นกำแพงมันจํารุดแล้วไม่มีกองทหารตีก็ไปตรงนั้นได้เลยพ่ะมาติ แล้วคนนั้นได้รับรางวัลจากพม่าพอเสร็จสงครามตีเมืองแตกพม่ายึดกองแล้วได้รับรางวัลอะไรก็สั่งห้ไปฆ่าเลยตัดหัวเสียบประจานไว้เลยไอคนทรยศต่อชาติเขาไม่ได้ยกยนะ่องอะไรพระเจ้าแผ่นดินพม่าถามว่าเวลาทำจีดีก็ต้องมีนั่งร้านรางร้านไม่ไป ทำเจดีเสร็จนั่งร้านเอาไปไหนเรื่องทิ้งไอยู่ใครจะให้มีนั่งร้านอยู่มันเบาบางวางตาเรื่องทิ้งไอคนนี้ก็เป็นนั่งร้านเราตีเมืองสําเร็จแล้วก็ต้องไปฆ่าตายปรากฏในประวัติศาสตร์เพราะไปกดทรยุทศต่อชาติบ้านเาใช่ไม่ได้เป็น่งั้นอันนี้มีประวัติแต่เครื่องเตือนใจ สังคมในยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องอยู่อย่างเสียสละเพื่อชาติเพื่อประเทศไทยช่วยไทยเวลาที่คนเอาเงินไปให้นายเกเยอะเอาทองมาให้อะไรนาคนแก่เ ก, ก็บทองไว้ดานแล้วสาวาม้นายกตอไปรับเองรับเบินรับทอง แต่มีคนหนึ่งเอาเงินไปให้ตั้งห้าล้านเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ด้วยและเป็นรองลัดกระทรวงนามสกุลก็เข้าทีว่าถนัด้าเรียกว่าสมสกุลถนัด้าเอาเงินมาให้ห้าล้านได้ยกแก่โจงศรยแคถามเอาไว้อย่างไงตังห้าล้านเกิดสอบสวนเอาตายแล้ว เียหายเพราะสอบสวนแล้วมันจะใอ้เกินห้าล้านมันเป็นศินบนไอ้พวกทำลายป่าตัดไม้สักในแม่น้ำเซนละวินมันให้คนเสรีต้องสอบสวนแล้วทีนี้ตายลากลัวจะต้องทำบุญได้บาปไปจะแล้วเขาเรียกว่าทำบุญได้บาปเพราะว่าเงินนั้นมันบาปเป็นเงินที่เขาห้ยัว่าด้วยบาป ไม่ใช่หาเลยมึก้อนมันใหญ่ตั้งหาล้านเขาก็สงสัยเอาไมาอยากให้ตั้งหาล้านทำมาหากินอะไรได้กันมามนอย่างนี้สะสมมากี่ปีจึงได้ตั้งหาล้านไม่รับมอบให้คนเสรียึดไปไว้ก่อนเอาแล้วคนเสรียดึดบัปเป็นปึกๆเปรียบร้อยนะวันสดมันแช่ใจเช็คกันอยู่ใจเช็คีิมัน ยังจับได้ไง่ายแต่นี้เป็นเงินสดอ่าลเกิดเรื่องเราจะทำบญสุนทานวันต่องหาที่มันบริสุทธ์หน่อยได้มาประกอบโดยชอบธรรม เ, เวลาคำถวายสังฆทานกาพเจ้าทั้งหลายมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่น้อมนำปัจจัยที่ได้มาโดยรม พเพื่อถวหยแบ่ประสงค์บำรุงศาสนาพูดอย่างนั้นไอ้นี่มันได้มาโดยไม่เป็นธรรมประกอบไม่ชอบธรรมอย่าเอามาช่วยชาติชาติใหม่รับเพราะไปถูกต้องเกิดเรื่องน่าสงสารรูดเท่าไปถึงการก็จิตมันก็ดีนะเหอูได้ันแล้วเอาไปทำเสียสละช่วยชาติ แต่มันมากเกินไปตั้งห้าล้านผู้เป็นผู้บริหารชาติก็ต้องสองสัยกับุนได้มาอย่างไรประเทศอเมริกานะแต่คนเอาดอลล่าร์ไปกว่ามากเลยเขาสอบสวนโยดีๆเอาดอลล่าร์ตั้งห้ามือนไปกว่าตลาดการในตลาดการสอบแล้วได้ไมาอย่งไ คนค่าขายอะไรคนทำมาอะไรได้เงินนี่มาอย่างไรสอบเลยคนมันไม่กล้าฝากมากๆแล้วไม่กากติดละน้อยก้อยป้อนเขาอะไรกว่ามากไม่ได้เขาสอบสวนตนาคาร์นเาเ ข, าเขาร่วมมือกันตมานวดกันก็จับก็เรียกว่าเงินเงินไม่สะอาดเขามีการฟอกเงินทําให้สะอาดต้องสอบส เพราะคนค้าเฮโรอีนก้าฟินเถื่อนเัินมันเยอะอยู่เอามาทำบุญได้มากๆก็เสียหายต้องฟอกกันก่อนอะไรฟอกไปฟอกมาตัวผู้ให้จะเดือดร้อนทำบุญไม่ไม่เป็นบุญมันก็เดือดร้อนแต่เหมือนคนยายที่เก็บเก็บทองไว้ในเอาใาหา้คนอนอโมธนาเพราะคนยายไม่ได้ข้าขายอะไรแต่เก็บสะสมไว้ เงินสะสมเก็บไว้หรือว่าเนี่ยลายคนในหมู่บ้านเอามาให้คนยาอยู่ชุมพรรวบรวมเงินทั้งหมู่บ้านเอามาให้อย่างนี้บริสุทธิ์ไม่เสียหายตำบลกาวัดกับาศาสนากับชาติกับประเทศก็ต้องพิจารณาให้มันเป็นบุญเป็นกุศลอย่าให้เป็นบาปเอเมีข่าวพระ จังหวัดนคร น, นายกว่าหลับตาแล้วก็เห็นเลขตอนนี้เห็นเลขกาวไ่รู้กาวลงในรุกหรือว่าคึินสวรรค์นนพระองค์นี้ทำไมถูกผิดกฎของพระผิดระเบียบอวดอุตริมนุสสย์ธรรมเป็นเป็นโทษเป็นบาปคนก็ปล่อยก็ใหญ่ไอ้พวกบาวไว้บาเบออก็ไปซื้อกัน ถ้าสมมติว่าถูกจริงไม่ถึงสองวดพระจะตายตายเพราะอะไรเจ้าเจ้าของไอ้เจ้าของนายทุนนายเบอร์เบอร์มันจะไปจ้างคนไปยิงทะตีพ ร, ระองค์รีบไปยุ่งตายตอนคุดคู่อยู่ในห้องถูกยิงตายเพราะแบนเกยไปประจริงไม่ถูกดูส่งเดตไปแต่ว่าคนมากๆก็ถูกเข้ามา ก้อนร้อยคนไปถูกสักคนก็ดังด<ำ>ไอ้ไม่ถูกเก้าสบเก้ามันอี้กลับบ้านเฉยพอถูกก็ดังที่จังหวัดสงขลามีวัดเก่าน้อยเล็มทางที่จะข้ามหัวเขาแดงไปในเมืองคนไปชนหัวที่นั่นมีหลวงตาองค์หน<อ>ก็เรียกว่าหลวงตาหัวมันเพราะแกปลูกมัน หลวงมันเต็มตวัดแล้วรหลวงตาหวอมก่อนผ่านไปก็หลวงตาวันนี้ชนตัวไหนดีสีอะไรบ้างนะสีขาวกับสีแดงมานสองตัวอา้าวชนได้แดงชนได้แดงพอเรนก็ไปเล่นไดแดงจะนะาจะน่ากลับมาก็ซื้อน้ำตาลทรายมาขวากหลวงตาคนละกินโลหลวงตาก็ได้กินกระนำร้อนแต่ว่าบางคน แดงกับขาวชนอะไรดีเราตาชนได้ขาวไอ้ด้วยแดงบอกกับพวกโรคแล้วจะบอกกับมวกพร้อมกันไน อ, ไอ้ไขาวก็แล้วพวกไอ้ขาวแพ้มันกลับบ้านเยียบพวกไอ้แดงมันก็เลือดดวงตาทายแมดก็หัวสองตัวเนยมันก็ตายได้แต่นี่ไอ้รู้หวยแล้วมันกี่เบอร์มันมากมายนี่จะตายไหว ไ, ไหมวะสุดตาลิไป แล้วก็บอกว่าเหนื่อยแล้วหนีมาอยู่กรุงเทพเอ้ามาอยู่วัดติดสัยศาสตร์วัดศรีสุนารามนะวัดไสยศาสตสสาราสสต์มีที่หลังใหญ่ที่ขายพระเครื่องขายแหวนไายด้นวยเหิดเป็นตลาดใหญ่เลยเป็นธุรกิจใหญ่ขายของอานอายุวันั้นะให้คนมาหาจะได้มาขอไหวขอเื้อ แต่อยไม่นานก็กลับบนว่าแม้ขายไม่ค่อยได้นะไม่ได้เรื่องเป็นพระอนิชกกรรมทาหน้าที่ไม่ถูกต้องผู้ปกครองสงวรจะเรียกตัวไปสอบสวนเรียกตัวไปสอบสวนถ้าเจ้าคณะอาเภอไม่จัดการเจ้าหร้จังหวัดจัดการเจ้าคณะไม่จัดการเจ้าคณะภาคต้องจัดการ เรียกเจ้าคณะจังหวัดว่าจังหวัดคุณน่ยมีพระวิเศษเกิดขึ้นอีกเอพระวิเศษขนาดไหนอย่างไรสอบไปได้เรื่องแล้วก็ออกไปลงโทษทำให้เป็นตัวอยา่างแต่ว่าไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพราะเจ้าคณะผ่ายปกครองก็ไม่ค่อยอยุดไม่ค่อยเคลื่อนไหวแตาไม่เสียไม่ทำหน้าที่ น, นี่ไม่เจริ ทำหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยวันนี้ก็พูดเรื่องเป็ตทะเล็ดะยากโยมฟังแกรอด น, นิดหน่อยก็อพอสมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็เชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีเชิญนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาเฉย หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเวลาหายใจเข้าก็กําดดรู้อย่ายไปคิดอะไรทิดอยู่ที่ลมเข้าหายใจออกก็กําดดรู้ให้สติมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลาห้านาทีเยือนสํารวมจิตแปรเมตตา สัพเพสัตตา อ, อเวาอ ร, รเวาอภิญาปั ช, ชา อ, าชชาอนีค า, าสุขีอตานั ง, นงป ร, าราิหารตูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตา ย, ด, ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น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 รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด